ไปงานแต่งงานก็ไปงานต่อพบต่อชาติเพราะไปต่อการมรดานหาการแต่งงานก็คือการทำตามความต้องการทางอารอมณ์คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของบุคคล น, นั้นของบุคคลนี้เมื่อเกิดความอยากแล้ว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 แทนที่จะเห็นโทษของกามอารมณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวยกลับไปตอบสนองไปแก้ความเศร้าส้อยหงอยเหงาว้าเหวยด้วยการไปหารูปเสียงกิดลดโผฏภะในตัวบุคคล แล้วก็ได้เสพการเพื่อที่จะได้ระบายการอารมณ์ดับความเศร้าสา้อยหงอยเหงาว้าเหวหงุดหงิดไปชื่อข่าวแต่ก็เป็นการดับเพียงเดียวเดียวเดี๋ยวก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาใหม่พอตายไปก็ต้องไป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 ตายไปก็ไม่ต้องไปรับผลของบาปกรรมที่ทำเช่นไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานนี้ไม่มีศีลข้อที่สามคือศีลกาเมสุมิชาจาราเวระมณีเดรัจฉานจะไม่ไม่สนใจว่ามีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของ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 ที่จะต้องตามมาต่อไปได้โดยเฉพาะพวกที่เสกกรมโดยผิดศีลข้อที่สามนี้ยิ่งไม่เห็นว่าจะต้องไปเป็นเดลฉานแทนที่จะได้ไปเป็นมนุษย์ต่อก็จะต้องไปเป็นเดลฉานอันนี้เป็นเรื่องของ ทางโลกที่เห็นกับตาละปัดเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเวลาแต่งงานกันนี่จัดงานเลี้ยงกันใหญ่โตเออ ก, กะึกไปร่วมแสดงความยินดีกันถ้าไม่ไปแสดงว่ า, าไม่รักกันจริง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 แล้วก็จะเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ตามมาเวลาสูญเสียคู่รักคู่ครองไปถ้าได้พิจารณาอสุภะได้พิจารณาอานิจจังก็จะเห็นทุกข์ขังที่จะตามมาหรือเห็นการดับของความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเห็นร่างกายที่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 เห็นแต่ผมขนเล็บฟันด้านหนังแม้แต่ส่วนภายนอกนี้ก็สามารถมองให้เห็นว่ามันไม่สวยงามได้ถ้าเรามองในตอนที่แก่ยือตายไปหรือตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาล่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายนี้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 ภาวตันหาวิภวะตัญหาอยู่ก็คือความยินดีในรูปประชานอารูปประชานอันนี้ก็เป็นตัวที่จะดึงใจให้ติดอยู่ในรูปประพบอรูปประพบก็คือต้องเกิดไปเป็นรูปประพรมหรืออรูปประพม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 รูปแบบด้วยกันการเจริญพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณหรือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธ <c oughs> การบริกรรมพุทธโธอย่างต่อเนื่องก็จะป้องกันไม่ให้ใจไปคิดปรุงแต่งในทางการมตรตหาในทางภวะฐานหาและในทางวิภาวะฐานหา แต่ยังไม่สามารถที่จะทำลายกามตัญตัญหาภวะัญหาวิภาวะัญหาได้จต้องใช้ปัญญาถึงจะสามารถทำลายได้เช่นกามวััญหาก็ต้องใช้อสุภะกรรมฐานซึ่งก็เป็นการเจริญสติและปัญญาควบคู่กันไป ถ้าเราไม่บริการพุธทธเราจะเจริญอาการ32ไปแทนก็ได้จะได้ยิงนกสองตัวด้วยกระสนลูกเดียวคือเวลาเราเจริญกายกตาสติคือพิจารณาอาการ32ใจก็จะไปคิดถึงเรื่องที่จะทำให้เกิดการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาไม่ได้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 ให้เข้าถึงพระนิพพานที่เป็นจุดที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเพราะไม่มีกามตัณหาไม่มีภาวะตัณหาไม่มีวิภวะตัณหาดังนั้นผู้บำเพ็ญจึงต้องมีความอุตสาหะเวรยะในการที่จะควบคุมสังขารความคิดปุงแต่งของตนให้หยุดคิดปรุงแต่งไปในทาง สร้างภพสร้างชาติคือให้หยุดคิดไปในทางกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาด้วยการให้คิดในส่วนที่จะทําให้กามาตัญหาวิภาวะตัญหาภาวะตัญหานี้หายไปหรือดับไปเช่นให้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆ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 เวลาทะเลาะกันนี่มันสุขเมื่อมันทุกเวลาที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันมันสุขเมื่อมันทุกไม่ยอมมองความทุกข์กันจะมองแต่ส่วนที่เป็นสุขกันแล้วก็มาหย่าร้างกันมาวุ่นวายกันขึ้นโรงขึ้นศาลกันทําให้เสียงบประมาณทาษีเอ่า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 มีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ทรงเห็นว่ามีปรละมังสุขขังอยูอ่มีส่วนที่มีแต่ความสุขลน้ลนๆนไม่มีความทุกข์เลยไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในส่วนนี้เลยส่วนนั้นก็คือใจที่สะอาดสงบบริสุทธิ์นี้เองใจที่ได้รับการชำระปราศจากความโลภความโกรธความหลง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 ความสุขที่ได้จากวันในวันแต่งงานนี้หายไปหมดเลยเวลาไปเจอว่าสามีหรือภรรยาไปออบนอนกับใครสักคนหนึ่งขึ้นมาความสุขนั้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ความทุกข์ที่จ ะ, ะทำลายชีวิตของตนเองไปในที่สุดถ้าไม่ละมัดระวังถ้าเสีย อ, อกเสียใจมากๆก็ถึงกับ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 ความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมนี้จำเป็นจะต้องอดทนต่อสู้กับความทุกข์ต่างๆที่จะเป็นเหมือนกับขวากน้ําของทางดําเนินต้องยอมเจ็บต้องยอมทุกข์แต่ทุกข์เพื่อให้หมดทุกนี้คุ้มค่ากว่าสุขแล้วทําให้เกิดมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเหมือนกับผู้ที่ดําเนิน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 พอมาถึงแยกที่สองก็จะเจอว่าะจะทำบาปดีหรือไม่ทำบาปดีจะรักษาศีนหน้าดีหรือไม่รักษาศีนหน้าดีจะรักษาศีแปดดีหรือไม่รักษาศีแปดดีอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบจิตใจของผู้เดินทางว่าจะเลือกเดินทางไหน จะเลิกเดินทางของการเรียนว่าตายเกิดก็ไม่ต้องรักษาศีลให้มันเสียเวลาให้มันยุ่งยากอยากจะกินเหล้ากับกินอยากจะเสกกามกับใครก็เสกอยากจะโกงกับโกงอยากจะโกหกหลอกลวงก็โกหกหลอกลวงไปอยากจะฆ่าใครก็ฆ่าไปอันนี้ก็ทําแล้วก็เกิดความมันขึ้นมาในใจเกิดความสะใจขึ้นมาแต่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 แล้วก็มาถึงแยกต่อไปก็ถามว่าจะไปทางไหนจะไปทางของการมีสติหรือของการไม่มีสติ <c oughs> ถ้าอยากจะไปทางที่ออกจากการเวียนว่ายตาเยเกิดก็ต้องมีสติอยู่ทุกเวลานาทีตั้งแต่ตื่นจนหลับเพื่อที่จะทาให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจมีความสุขได้ แล้วก็จะได้เกิดปัญญาจะได้เกิดการเห็นมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเอาทุกกับสมุ ท, ทยัยหรือจะเอามรรคกับนิโรธถ้าเอามรรคกับนิโรธก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีสมุ ท, ทยัยมรรคก็คือก็คือปัญญา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 เต็มไปด้วยการมรตัรหาภาวะตรหาและวิภวะตรหาที่จะคอยผลักดันให้ใจของสัตว์โลกนั้นเลือกเดินในทางของการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองดังนั้นพวกเราโชคดีในภพนิชาตินี้เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่จะพาเราที่จะบอกเราให้ไปในทางที่จะให้เราได้ดุดพ้นจาก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 อย่างที่สมาชิกของเราวันนี้ได้เลือกทานไปกันวันนี้ขอเลือกไปในทางของกรรมตันหาหนึ่งวันขอสละทางทานศีลภาวนาหนึ่งวันอันนี้เพราะยังไม่มีปัญญาที่เห็นคุณค่าของการเลือกทางเดินของพระพุทธเจ้ายังถูกความหลง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 ไหวเพียงตอนนี้ขออนุโมทนาให้พรคนที่จะคิดแต่างงานคนจะคิดหนักหน่อยนะวันนี้ไม่ <c oughs> มีใครจะถามอะไร รือมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังบ้างถัดกันพูดบ้างเลยพูดคนเดียวก็มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลยพุทธานุสติก็เราก็ไม่ได้อยู่ในสมัยพระพุทธการแต่มีไม่มีก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่า มันมีมันทําแล้วได้ผลหรือเปล่าทําแล้วมันได้ผลมันก็มีหรือไม่มีก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญอถ้ามีแล้วทําไม่ได้ผลก็ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเรานั้นคือในในพระคัมภีร์ั่นก็แสดงอกรรมฐานสี่สิบชนิดกรรมฐานสี่สิบชนิดก็ มีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็ให้ระเลิกถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะละเลิกแบบไหนก็ได้จะละเลิกถึงอิติปิโสอรหังสัมมาสวัคขาโตไปก็ได้สุปฏิปันโนไปก็ได้หรือจะพุทโทธธรรมโมสังโฆไปก็ได้มันก็มีมาใน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 บางท่านเห็นว่าการสวดอิติปิโสได้ผลดีกว่าพุโทโธท่านก็สวดอิติปิโสไปอันนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาควบคุมสังขารความคิดตรุงแต่งไม่ให้คิดไปในทางตันหาความอยากต่างๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรก็ได้นอกเหนือจากกรรมาฐานสี่สินี้ถ้าใช้ดาได้ผลก็ใช้ได้เหมือนกันเช่จนจะท่องหนึ่งสองสามไปก็ได้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 นอกจากเผอพอคิดถึงหนึ่งสองสามก็ไปคิดถึงเงินในบัญชีแล้วก็กอดอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ถ้านึกแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้จนึกไปนึกมาจะพอดีวันหวยออกไอ้นนี้น่าจะดีอันนี้ก็คิดไปทางตันหาทันทีเห็นไหม ใจของเราเนี่ย99เปอร์เซต์มันจะคิดไปทางตัณหาความอยากเพราะอาวิชชาปัจจญาสังขาราเนะคว่าอวิชชาเป็นผู้ผลักดันให้สังขารคิดปรุงแต่งไปทางตัณหาอาวิชชาปัจญญาสังขาราไปถึงตัณหาไปถึงภาวะไปถึงภพชาตินะอันนี้เป็นสายของของความคิดของสัตว์โลกทั้งหลาย อย่างวันนี้คิดไปงานแต่งงานนี่มันก็ไปทางตัญหาแล้วไปงานเลี้ยงอวิชามันก็พาไปมันก็หลอกว่าจําเป็นเป็นลูกของเราอย่างนู้อย่างนี้มันก็ว่าไปมันก็มีเหตุของมันมันก็มีเรื่องพาไปจนได้ถ้าไม่มีธรรมะคําสอนพุทธเจ้ามาแทรกมาแย่งบ้างมันก็ไหลไปทางกระแสของอวิชตาตันหาอุปทานไป ทาภาวะไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาถ้ามีธรรมะคุณเจ้ามามันก็จะมาค้านกับวิชาเอาวิชาว่าเป็นลูกเราธรรมะความเป็นลูกเราที่ไหนมันก็เป็นแค่ดินน้ําลมไฟไอใจมันมันก็ไม่ได้เป็นลูกกัเรามันมาจากที่ไหนเราก็ไม่รู้มันมาได้ร่างกายที่เราผลิตขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วเราก็ไปหลงคิดว่าเป็นลูกเรา อันนี้ดูพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมพอบอกลูกออกปั๊บไปเลย น, นี่ลูกเราที่ไหนวะนนบ่วงนะท่านบอกมันนบ่วงมันไม่ได้เป็นลูกเห็นหมเนี่ยคนฉลาดคนมีธรรมะจะคิดคนละอย่างกันคนมีไม่มีธรรมะก็เอ้ลูกออกแล้วไปไม่ได้แล้วต้องเลี้ยงลูกแล้วเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงลูก เพราะว่าไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็บอกว่ามันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟแค่อาการสาสิสองเดี๋ยวเดียวมันก็แก่เจ็บตายอยู่ด้วยกันก็ตายด้วยกันเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าแยกทางกันนี่ยังมีโอกาสที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมพอพุทธเจ้าตัดสิรุลวก็มาจับลูกไปบวชต่อเห็นไหอายุเจ็ดขวบหขวบนี่เอาไปบวชแล้ว ท่านตัดสัตวรู้หกปีลูกก็เกิดพอดีตอนที่ท่านออกบวชก็ลูกก็ออกก็เกิดมาพอตัดสัตวู้หกปีต่อมาลูกกอายุหกขวบหกขวบพอกลับมาเยี่ยมวงังก็ลูกมาขอมารดกก็เลยเอาไปเลยเอาไปบวชเลยบวชแล้วก็ได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดะได้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 คนคนคนเรียนก็มีความเชื่อฟังไม่ดื้อรั้นถ้าดื้อรั้นก็ช่วยไม่ได้สอนให้ทําทางก็ไม่ทําสอนให้รักษาศีลก็ไม่รักษาสอนให้ภาวนาก็ไม่ภาวนาอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้สอนแล้วอย่างเทวทัตนี่พระพุทธเจ้ากสอนเหมือนกันแต่เทวทัตดื้อรั้นไ ม, ไม่ไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้า จะอยากเป็นใหญ่เป็นโตไปตามอวิชชาปัจจญาสังขาราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็การมาตัญหาก็ภาวะตัญหานี่เอง <c oughs> ก็เลยพาไปสู่การทำบาป ท, ทำกรรมพยายามป่งพระชนที่อของพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันเสร็จแล้วก็ต้องตายไปถูกแผ่นดินสูบตายไปก็ต้องไปตกในนรกต่อไป นนการเชื่อฟังอวิชชาปฏิยาสังขารการที่ไม่ควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางกามตัรหาเภาวะตันหาวิภวะตันหาถ้าไม่ควบคุมปั๊บมันก็จะไปทางนั้นทันทีพอมีช่องมันก็จะไปทางนั้นทันทีเนี่ยคือทำให้เราต้องเจริญสติเจริญพุโทโธกันเพราะพุโทโธนี่มันง่ายแล้วชาว ชาวพุทธไทยเรานี่มีความเคารพพระพุทธจเจ้ามากอพอให้ท่องพุทโทธก็จะมีความเชื่ อ, อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เชื่อเวลาเวลาใกล้าตายนี่ท่องกันตายเลยต้องกันแบบไม่มีหยุดเลยเวลาเกิดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความหวาดกลัวขึ้นมานี่จะสวดมนต์กันแบบแต่พอไม่มีความกลัวแล้วก็หยุดขี้เกียจ ข, ขึ้นก็เกิดขึ้นมา ผู้ที่อยากจะสวดมนต์อยากจ ะ, จะเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจึงต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวน่ากลัวมันจะได้มีอะไรมากระตุน้นไม่ให้ขี้เกียจถ้าอยู่ในที่สุขที่สบายที่ปลอดภัยมันก็ไม่มีความกลัวพอไม่มีความกลัวมันก็เลยไม่เห็นความจําเป็นของการจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกันดังนั้นเราต้องพา ตัวเราให้ไปอยู่ในถ้ำกลางของสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดความน่ากลัวอยู่เรื่อยๆเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ในที่ไม่มีที่ปกปิดมิจิสเหมือนที่บ้านนี้พระธุดงค์นี่ท่านไม่มีกุฏิไม่มีอะไรท่านอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามแค่ที่ชาวบ้านสร้างสร้างถวายให้มีมุง้งเป็น มีมุ้งเป็นเหมือนกับเป็นฟ้าให้เท่านั้นเองอยู่แบบนั้นนอนแบบนั้นตางขึ้นเสือสิงสารลัศั์จะมาตะปบไปกินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่เชื่อลองไปอยู่ดูเลยแล้วจะดูซช่ว่าจะกลัวไม่กลัวถ้ามันกลัวมันจะได้หาที่พึ่งเไยมันจะได้บริกรรมพุทโธพุทโธพอบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วพอใจสงบความกลัวก็หายไป ทีนี้รู้แล ว, ว่าภัยไม่ได้อยู่ข้างนอกถึงสาราสัตว์เขาไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจไอ้ตัวที่เป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจก็คือความคิดปรุงแต่งนี้เองคิดไปในทางวิภาวดีตัณหากลัวตายอยากจะอยู่กลัวตายกลัวว่าจะถูกสัตว์ชนิดนั้นชนิดนี้มาทําลายทำร้ายก็เลยจิตใจจิตใจหวั่นไหว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 มันอยู่ที่ใจเราไปปรุงแต่งคิดถึงมันเองพอเราควบคุมความคิดปรุงแต่งแม่ปไปคิดถึงมันได้ไอตัววิภาวะตันหาคือความตัวความกลัวตายมันก็สงบไปเนี่ยเราต้องไปหาที่เหมันกระตุ้นให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันจะได้แก้ได้เช่นเวลานั่งแล้วก็นั่งให้มันเจ็บจะได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาจะได้รู้ว่าความทุกข์นี่มันเกิดจากความกลัวความเจ็บ มันไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บความเจ็บมันไม่น่ากลัวมันไม่เป็นอันตรายแต่ตัวที่เป็นตัวอันตรายก็คือตัววิภะวะตัณหานี่คือตัวกลัวความเจ็บ ต, ตัวที่อยากให้ความเจ็บนี้หายไปหรืออยากจะหนีจากความเจ็บไปอยากจะขยับนั่งแล้วมันปวดก็อยากจะขยับถ้าขยับมันก็จะไม่เห็นมันก็จะไม่เห็นตัวที่ทำให้เราเกิดค ว, วามทุกข์ใจขึ้นมา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 ถ้าอยากจะแก้ก็ต้องอยากไปให้มันคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานให้มันคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องอยู่ในโถส้วมนี่มันก็เป็นอาหารทั้งนั้นแหละมันมาจากไหนของมูนี้มันก็มาจากอาหารที่อยู่ในจานนี่เองพอกระเหมือกก็ไปแล้วเป็นไงพอไปเคี้ยวไปผสมกับน้ำลายแล้วเป็นอย่างไรพอคืนก็ไปอยู่ในท้องแล้วเป็นอย่างไรอาหารชนิดต่าง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 แล้วมันจะไม่คิดถึงอาหารอีกต่อไปอันนี้แก้ด้วยปัญญาถ้าแก้ด้วยปัญญาก็แก้แบบท้าวรถ้าแก้ด้วยสติสมาธิก็ต้องคอยแก้อยู่เรื่อยๆเวลาเกิดความคิดปรุงแต่งไปทางกามตัญหาก็ต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อให้มันหยุดคิดปรุงแต่งพอมันหยุดคิดปรุงแต่งแล้วมันก็สงบ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 เราเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปเราจะรับกลับมันได้หรือเปล่าถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนทําการบ้านไว้ก่อนเวลาเข้าห้องสอบนี่เราจะสอบผ่านหรือไม่แต่ถ้าเราเตรียมตัวทําการบ้านไว้ก่อนเช่นทําให้ร่างกายมันเจ็บไปก่อนด้วยการนั่งไปจนกระทั่งมันเกิดอาการเจ็บแล้วก็ปล่อยให้มันหายเองเหมือนกับเวลาเราเป็นไข้แล้วก็ปล่อยให้มันหายเอง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 พอดับความกลัวนั้นแล้วต่อไปจะไม่กลัวตายไม่มีความกลัวตายแต่เวลาตายก็ตายเนี่ยยึ่งเวลาอยู่ก็อยู่ไปอยู่ก็อยู่แบบไม่กลัวตายเวลาตายก็ไม่กลัวแต่ถ้าไม่ได้ทำการบ้านอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผ่านข้อสอบอันนี้อยู่ทุกวันก็กลัวทุกวันคิดถึงความตายทีไรก็ก่อความกลัวขึ้นมาทุกทีแล้วพอเจอความตายก็ยิ่งกลัว่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 ไม่สวยไม่งามพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนพิจารณาไปแล้วมันก็จะเห็นเองเมื่อแล้วมันก็จะปล่อยเองมันจะปล่อยตัวตนไปเองเพราะว่ามันไม่มีตัวตนนี้มันเกิดจากความหลงผลิตขึ้นมาพอเห็นความจริงแล้วของปลอมมันก็จะหายไปของปลอมสู้ของจริงไม่ได้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 เรื่องของราบยกจารเสริญเรื่องของความสุขทางร่างกายเรื่องของงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดนะเวลามันสิ้นสุดเนี่ยเวลานั้นเป็นเวลาเศร้าสร้อยงอยเหงาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแก่เป็นนามะพฤกษามพาศไปไหนมาไหนไม่ได้เวลานั้นเป็นเวลาที่งานเลี้ยงมันหมดแล้ว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 นี่แหละเป็นงานเลี้ยงทางทางจิตใจขอให้เรามาหางานเลี้ยงมากันทางจิตใจดีกว่าไปงานเลี้ยงทางร่างกายงานเลี้ยงทางร่างกายมันมีวันจบมีวันสิ้นแต่งานเลี้ยงทางจิตใจนี้ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเัลละมังสุขขังไปตลอดเวลาแม้แต่ขณะ น, นี้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระส า, าวกทั้งหลายก็ยังปรละมังสุขขังอยู่อย่างนั้น ใจของพวกเราเนี่เดี๋ยวไม่กี่ปีก็วารมังทุกข์ขังกันแล้วเพราะงานเลี้ยงทางร่างกายหมดแล้วไม่สามารถไปงานแต่งงานของคนนั้นกคนนี้ได้ไม่สามารถไปงานวันเกิดของคนนั้นคนนี้ได้แล้วมีแต่จะไปงานวันตายของเขาเท่านั้นเองให้คิดอย่างนี้บ้างมันจะได้มีอะไรกระตุ้นอใจของเราให้ออกจากผวัาของความหลง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 ก็เราไปแบกมันเองแล้วก็วางมันสิหินมันหนักไหมหินมันหนักคุณไปถือไปแบกมันมันก็หนักกับสิคุณก็วางมันนั้นนั่นสิทำไมมันจะยากทางไหนเลยตอนนี้คุณก็รู้แล้วว่ามันหนักคุณยังอยากแบกอยู่นี่ไม่มาถามเราทําไมเราไม่แบกเราก็บอกได้ครนี้ก็อย่าไปแบกมันเลยจะวางไงก็อย่าไปแบกมันก็วางแล้วก็ลืมมันซะอย่าไปคิดถึงมันแค่นั้นเองเข้าใจไหม พุดโทรพูดโทอย่าไปรับรู้อย่าไปอยู่ใกล้หนีไปอยู่ไกลๆไม่อยู่ในป่าที่ไหนก็ได้ปล่อยให้เขาฆ่ากันฟันกันไปเดี๋ยวก็จบบ้านเมืองไม่ไปไหนอ่ะบ้านเมืองก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะมีแต่ให้คนที่มันฆ่ากันอ่ะมันไปไม่มีใครไปหอ่ะมาแย่งกันไปแย่งกันมาแผ่นดินก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่อ่ะมันได้เป็นของใคร ความความหลงมันหลอกให้คนเราไปวุ่นวายกับกับเรื่องต่างๆเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรไปกันเป็นได้สักคนหนึ่งตายไปมีใครเอาอะไรไปได้บ้างตายไปก็แม้แต่ร่างกายของตัวเอ ง, เ อ, งเอาไปไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับอผลประโยชน์ต่างๆที่กำลังแก่งแย่งชิงดีกันอยู่นะมองอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางได้ ถ้าปล่อยไม่ได้ก็อย่าไปรับรู้ปิดหูปิดตาก็นะอย่าไปฟังอย่าไปติดตามข่าวสารอะไรทั้งสิ้นแล้วใจก็จะสบายเอาละนะก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปประพฤติไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ ทำหน้าที่เราเสร็จแล้วอั่นี้ไม่มีเฟสบุ๊กนะอันนี้ไม่มีเฟสตอบไม่มาแกไปติดธาราที่อื่นเพิ่งมาถึงนี่แลกฝากคนอื่นทําแทนคราวนี้ทางวัดของหลวงพ่อโบเกตท่านมีงานท่าป่าเลยออะรไหมคะไม่ไปครั ไปให้ป่ะทุกทยูนาน้วมันจะเบือกันเคันจันเดียว เพ่จอกันนิดหน่ยๆได้มันจะได้จะได้มีทําให้เบื่อมันจะได้ไม่เบื่อถ้าเจอกันนานแล้วเดี๋ยวมันเบื่อไม่เบื่อหรอบอกลู้ว่าเขาดีใจมากพขามากราบท่านอาจาร์แล้วท่านอาจาร์บอกว่าพ่อก็ไปสบายนั่นเป็นกําลังใจของเข า, ừ, ừ. Ừ. Ừ. Ừ. าก็ไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรนี่พวกเรา ไปว่าเรากรงเทพอยู่แล้วนั่ะาทางักษาศีลตั้งใจเขาทานที่คุณท่าเขาไปเพราะเเป็นทุกข์กับครบัวเขาแต่เขาพูดโทรตลอดพูดให้พ่อฟังอะค่ะแต่ถ้าเราทาอาชีพท่าสัต์ิั์ชีวิตทุกวันอนี้มันน่ากลัวกว่าถ้าเราไม่มีอาชีพท่าสัต์ิยชีวิตเราไม่ได้ไปทอะไรถกอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อน แต่บุญที่เราทำมันมากกว่ามันก็บุญก็จะมีกำลังมากกว่าเราไป okay. เขาออกจากตรงนี้ไปเขาก็โทรเลยนะเพื่อนจันบอกว่าพ่อไปสบายคนเข้าว่าส่วนใหญ่ไปสบายทนะั้งนั้นแหละแต่คนเข้าผับเข้าบานี่ไม่ไม่รับรอง <c oughs>